ทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุฉับพักขีลงโทษภิกษุทั้งหลายโดยมิได้ปฏิญญาคือลงตัดชนียกรรมบ้างนิยสกรรมบ้างปรับภาชนียกรรมบ้างปฏิสารณยกรรมบ้างอุกเขปนิยกรรมบ้างจริงหรือ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 ปับภาชนียกรรมบ้างปฏิสารณียกรรมบ้างอุคเขปนียกรรมบ้างรูปใดลงต้องอาบัตทุกกฎ